พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าได้กับเสียอย่างไหนมากกว่ากันวันนี้พระ ในวัดของเราสี่สิบสี่รูปสัมเนนหนึ่งรูปพระไม่ชลงมาจันหกรูปนากนน้อยหนึ่งคนแต่นักน้อยเพิ่งมาเมาื่อวานเนี่ยนากน้อยนะแต่พูดใหญ่นะหนักน้อยเนี่เคยบวชที่อะไรที่บ้านห้วยทรายนะ่ที่วัดนั่นบวชแล้วยไม่อยากจะศึกว่างงั้นคนบ้านสว่างสว่างปากลางเนี่ย น, นะ เราถามว่าเมื่อวานนีทำไมก็คิดได้ยังไงที่จะบวชยังเป็นเด็กอยู่ทำไมที่จะจ บ, บวชเป็นสมมาเนน่ะผมเบื่อโลกว่างั้นนะมิใช่ธรรมดาด้วยอผมเบื่อโลกว่างั้นเอาเราเบื่อมานานแล้วเบื่อมานานแล้วว่างั้นดูพวกเราดูสิพวกเราเท่าแกขนาดได้ยังไม่เบื่อโลกเลตัวนักเด็กเขายัางเบื่อโลก น, นั่นเห็นไหม หลวงพ่อจเห็นโอเอาหุนเบื่อจริงนะหนักน้อยนะะถ้าเบื่อจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวถึงนิพพานได้ไงนะ่ายๆถ้าเบื่อถ้าเบื่อจริงนะถ้าเบื่อเบนะื่อถ้าเบื่อเบื่อจากอยากนั่นอื่นทุกยากให้ทุกให้ให้ทุมความทุกยากกับตนเองนะถ้าเบื่อเบื่อจากอยากนะถ้าเบื่อจริงนะเบื่อหน่ายคลายแล้วก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเน่ยมันไปตามแนวแถวนะ แต่ถ้ามันเบื่ออย่างหนึง่งมันไปไปอยากอีกอย่างหนึง่งเออมันเบื่อตัวหนึ่งอยู่แต่มันไปอยากตัวอีกตัวที่มันหนักกว่าเก่านะ่ยตัวนั่นแหละมันสําคัญนะถ้ามัน เ, เบื่อเนะี่ยตัวที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นพิษเป็นภัยนะตัวนี้นะเบื่อหนะ้าเนะีเราก็เบื่อนะตามตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพ่อ พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอนันเลิศประเสริฐถ้ามันเบื่อด้วยกิเลสของตัวเองน่ยแต่เบื่อย่างหนึ่งไปอยากอีกอย่างหนึ่งไอ้ตัวที่มันอยากจะยิ่งหนักกว่าตัวที่ควรจะให้เบื่อนะไอ้ตัวที่มันเบื่อน่งเบื่อการเบื่องานเบื่อกับคู่กับคนเบื่อที่เขามาพูดไม่เข้าหูไอ้มันเบื่่อย่างนั้นใช่แต่ตัวเองตัวมันอยากนี่ย อตัวโลภตัวโกรธตัวหลงราคะโทสะโมหะมันไปติดอยู่ทุดนั้นเลอแต่มันเบื่อมันเบื่ออีกเปลือกนอกอีกอแต่มันไปอยากตัวนั้นไออยากที่ตัวหลักๆอันนั้นแปลว่าผิดหลักผิดหลักของพุทธศาสนาผิดหลักของหลักธรรมคาสอนของพุทธนะเราเบื่อยังไงเราอยากยังไง ถ้าอยากจะพ้นทุกข์อยากจะทําความดีไม่อยากไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันเห็นทุกข์จริงๆเกิดมาแล้วถึงใครจะมั่งมีสีสุขยังไงผลที่สุดก็นั่นนะใจจะขาดนะไม่เห็นใครมีความสุขสุขไหมสุขไหมขณะนี้นะเมื่อใจจะขาดตะลีตะเหลือ ก, กระเสือกกระสนวุ่นวายหายใจหอบ สุขไหมต้องบอกได้คำเดียวทุกที่สุดอย่างหลวงปู่น้องแสงท่านบอกว่าออลูกหลา น, นะานเนพระเนรลูกหลานเนะในขณะที่ยังมีกำลังวังชาอยู่อย่าลืมอย่าลืมหลงตนเองตนเองนะร่างกายสังขารนี่ถ้ามันอยู่ดีมีสุขเหมือนกับสวรรค์วิมาน แต่พอมันเจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้นะกองเพลิงชัดชัดกองทุกชัดชัดมันไม่ใช่กองอื่นนะลูกหลานนะพระเนรนเออเ อ, อ, อันนี้ก็คือตอนที่ท่านป่วยท่านเป็นโรคฤทธิ์ดวงทวารสมัยนะั้นมันหายาหายายากท่านก็ไม่ยอมไปหาหมออีกออพอมันปวดขึ้นมาทีนี้มันเล่าร้อนขึ้นมามันร้อนทั้งตัวนะท่านก็นอนแล้วก็มีกลิ่นอีก ท่านก็ไม่ให้พระเข้ามาใกล้อยากเข้ามาใกล้ไปไปอยู่ห่างๆไปอยู่นอกประตูประ ต, ประตูประตูกุฏิของท่านไปนั่งอยู่ทั้งนอกแต่ว่าเมื่อเราต้องการอะไรเราจะยกมือยังค่อยเข้ามาถ้าเราไม่ยกยกมือนะอยากเข้ามานะนั่งอยู่น่นแหลแต่นี่นก็พระต้องตั้งเวรกันไลยท่านกั น, นอนท่านดูทุกข์ของท่าน ทุก เ, เวทนาของท่านเนี่ยะท่านพูดออกมาคำนี้แหละร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชกองสวรรค์ีิมาน่ยกองเพลิงชัดๆตอนที่มันจะแยกมันจะแตกออกจากกันหลวงปู่หลงแสงคำพูดของท่านตอนนี้เขพาเขาไปนั่งมีเนอายุแก่อายุมา ก, กองหนึ่งอายุสิบเจ็ดสิบแปดวเขาก็ให้เข้าเวร เนรอง์นั้นก็ น, นั่งคิดวึาทาไมหลวงปู่เนี่ยท่านก็ว่าได้เขาก็ว่าท่า น, นเป็นพระาราหันทําไมท่านจึงมาแบกธาตุแบกขันอยู่นี่ทําไมท่านไม่ไปนิพพานละสังขารละธาตุละขันที่มาแบกทําไมพาระลาวเวปันจักขันธาขันทั้งห้าเป็นพระหละหลักหนักกันรู้แล้วมันหนักกับล่อยละวางซะ ท, ทําไมจึงมารับ แบบขันอยู่อย่างนี้เลยเน น, นเนนเนนเคยค้าว่าเนนปฏิ่านพอสมควรพอได้รับการศึกษามาเลยด้อยท่านก็มาว่านนมาเนีนเนน้พวอเขาไปมันเรื่องของเราเลยว่ะมันไม่ใช่เรื่องของแกเนี่ยมันเรื่องอที่เรารับกรรมยังไงมันเป็นเรื่องของเราแกทำไมถึงจะมาหา มาพูดไปหนีออกจะมาทุกนั่งอยู่แถวนี้ถอๆๆๆๆผมก็เลยผมก็เลยเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์จริงๆเอผมก็เลยัดเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์จริงๆเนนเนนนะนะเนนใหญ่เนนละอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวหลวงพ่อ นำมาคิดขึ้นมาเมื่อไหร่หลวงพ่อจะท่านพูดถูกจริงๆหลวงปู่น้องแสงหลวงปู่บัวนะก็ ว, วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพัน้าหกบวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งแล้วก็การงา น, นภายในวัดของเราที่ซ่อมกำแพงซ่อมเสนาธนถนนสะพาน แต่เรือสะพานสะพานที่เราออกไปเนี่ยนะหัวสะพานมันวุ่วัตอนนี้คงจะใช้ความสามารถพอสมควรของใช้ทุนมากพอสมควรจุดนี้แต่ทางหลังวัดหลวงพ่อก็ไปดูแล้วเมื่อวาน เ, นเห็นพวกพระลูกลูกห ล, ลา น, ลานและก็พร้อมกับคณะสัทธาญาติโยมซ่อมแซมคิดว่าเดือนมีนาเนี้คงจะจบคงจะเสร็จได้ ที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤศจกิกา 5-9 นะซ่อนะมมาข้ามปีแล้วนะนี่ก็เป็นวันที่28กุมภา 6-60 นะหลายเดือนนะที่พระเนนลูกหลานศรัทธาญาติโยมซ่อมเสนาชนะกำแพงถนนที่มันชำรุดนะ คิดว่าเดือนมีนาจบเดือนมีนานี่ก็ทุกอย่างก็คงจะเขา้ารูปเรียบร้อยในการก่อสร้างแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าของวัดเขียนพระเนนลูกหลานทํางานหลวงพ่อเองก็วิตกกังวลอีกเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะมันเคยมีเคยผ่านมาแล้วอย่างพวกเราท่านรู้ท่านท่านหลายรู้เห็นแต่ถึงเขาแต่ถึงยังไง คราวนี้ก็คงไม่มีอะไรเพราะว่าพระผู้ใหญ่ก็ช่วยกันดูแล้วก็เราก็ช่วยกันพวกที่มาช่วยการช่วยงานกับเป็นผู้มีอายุเกือบทั้งนั้นมาช่วยมากช่วยกู้บาทํางานหลวงพ่อเห็นแล้วก็เบาใจอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่จะมาร่วมกัน ช่วยงานของครูบาอาจารย์นี่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ตามมันเน้นถึงพระอีกเหมือนกันนะพระที่ทำการทำงานาก็ให้สารวมระวัง อ, อย่าให้มีปัญห า, อาพอเราเป็นพระสิ่งไหนก็ตามที่มันจะเป็นตัวอย่างไม่ดีสำหรับพวกน้องๆพวกน้องๆทั้งหลายที่เข้ามา ที่เขามาศึกษารุ่นพี่พาทำอะไรสเปสปะไม่คิดไม่อ่านไม่ได้ไม่ได้คิดถึงรุ่นรุ่นน้องเสียหายนะอันนี้ดวงตาเคยพูดตวงตามหมาบัวเคยพูดพระที่มาอยู่ก่อนที่เราสอนที่เป็นผู้ใหญ่เราให้หมดแนะนําสั่งสอนให้หมดแต่ตั้งที่มันจะเป็นตัวของตัวตั้งที่จะเป็นหลักให้กับน้องๆ้อง กลับมาทำความเสียหายทำไปในสักในสิ่งที่มันไม่ดีให้น้องๆได้ถือเป็นแนวทางที่มันไม่ดีนี่แหละผูกที่เข้ามาใหม่ก็มามาเจอกับพวกที่เก่าที่เก่าไม่มีกฎเกณฑ์ตัวนี้เราหนักใจนะถ้าว่ารุนพี่ที่เราสอ่สองสอนไปแล้วบอกกล่าวไปแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็เป็นหลักแล้วก็เดินเดินตาม แนวแถวที่เราสอนเข้าใจแล้วทางว่าเราสอนแล้วก็มันผิดก็รู้อยู่แล้วแต่หลบๆช่อนๆทำคืนทาฝืนท ำ, นทำในจุดนั้นอันนี้แหละเสียหายอันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่ท่านเคยพูดเคยกล่าวในสมัยหลวงพ่ออยู่เพราะนั้นพระผู้ใหญ่ที่เป็นผู้แนวหน้านจะทำอะไรออกไปต้องคิดดูให้ดี เพราะเราจะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกลูกผู้ใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่ก็สอนอย่าไปเป็นขโมยนะลูกนะอย่าไปพูดวาจใจ่วงจาบคนอื่นนะลูกนะให้มีสัมมาคาระวะนะลูกนะให้มันขยันนะลูกนะก็พ่อแม่สอนหมดทุกอย่างพ่อว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ลูกผู้ใหญ่คนนั้น แที่เป็นผู้ใหญ่ตามลำดับก็ทำดีอย่างที่พ่อสอนพ่อแม่สอนพ่อแม่ก็เบาใจแต่ทั้งว่าพ่อแม่สอนแล้วบอกแล้วลูกผู้ใหญ่กลับทำตนทำตัวไม่ดีแล้วก็ชวนน้องๆไปหาลักไก่เไปหาลักไครเขาไปหาทำสิ่งๆมันไม่ดีผลที่สุดน้องๆก็เลยทำตามพี่ ครอบครัวนั้นจะเป็นอย่างไรเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะเหตุใดเพราะพี่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีนี้ก็เหมือนกันวัดวาศาสนาอย่างวัดหลวงพ่อพระอย่างที่ว่านีสี่สิบกว่าโรคเนี่ยมันมีผู้น้อยผู้ใหญ่ตามลํำดับอายุพรรษาเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองเวลาพระทําการทํางานอย่างที่หลวงพ่อได้รู้ได้เห็นแต่ไม่ใช่สบายใจนะคล้ายๆว่าวิตก ในส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ได้ส่วนหนึ่งอาจจะเสียอีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าได้ได้เต่าอาจจะเสียหมาคนโบราณเขาบอกว่าได้เต่าเสียหมาได้เต่านั่นคือคือได้การงานแต่เสียอะไรเสียเสียพระเสียช่างเสียลูกศิษย์ลูกหาแปลว่านีเสียมากกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าหมายังมีอยู่ ก็ยังจะล่าเต่าได้อีกหลายตัวถ้ามันเสียหมาเสียอย่างเดียวมดัดนะได้เต่ามาตัวเดียวแต่หมาตัวนั้นถู ก, ถก ง, งูเหา่างูจุงอางมาฉกมาฉกไปสักหมาตัวนั้นก็เลยตายก็เลยจบไปสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่เข้ามาศึกษาต้องคิดแต่หลวงพ่อเองก็คิดหลวงพ่อเอกเหมือนกันม่ใช่ว่าจะแค่คิดแต่พวกเราท่านทั้งหลาย หลวงพ่อจะส่งใครจะส่งพระส่งเนนส่งใครไปที่ไหนหลวงพ่อก็คิดเองเหมือนกันไปทำการทำงานข้างนอกต้องอยู่ในความสำรวมระวังนะอันนี้หลวงพ่อก็คิดถ้าว่าหลวงพ่อไม่คิดส่งให้พระเนนไปทำอะไรออกไปมันได้ประโยชน์ยุประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อวัดวาศาสานา แต่ผลเสียหายนะมันตามมานะถ้าสมมุติว่าหลวงพ่อสั่งไปใช่หลวงพ่อสั่งไปหลวงพ่อคอนโทรนแล้ควคบควบคุมได้ทำเพียงแค่นั้นแค่นี้นะแต่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่องค์ที่ไปทำถ้าไปทำออกไปก็ไปทำเกินกว่าเกินกว่าครูครูบอกครูกาหนดนะมันทำาตลิ ด, เ ป, ดเปิดเิยเลยกว่านั้นไปอีกนะ แต่ขนาดครูครูก็ทําขนาดนั้นลูกศิษย์ต้องทําเลยคนนั้นเป็กผลที่สุดมัเสียอะไรท่นเนี่ยมันไม่ใช่เสียเสียหลวงพ่อนะแต่ไม่ใช่เสียลูกศิษย์คนนั้นนะมันเสียวงการพระพุทธศาสนามันเสียวงการเสียกฎระเบียบการปกครองเอของพระกรรมฐานเสียระบบพระกรรมฐานผลที่สุดเละตุ่มเปะไปหมดเพราะเหตไรเพราะอะาะหัวหน้าเอ่อ ที่ไม่ได้คิดในอนาคตไม่ได้คิดดูปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านพาดำเนินมาอย่างไรสิ่งเหล่านี้นะหลวงพ่อในฐานะอยู่ในสถานะอย่างนี้หลวงพ่อคิดนะพระเนรลูกหลานคณะสัตายาจโจิโยมหลวงพ่อจะทำอะไรหลวงพ่อมองดูตนเองซะก่อนแล้วก็มองครูครูบาอาจารย์มันจะได้จะเสียอะไรเสียไหมเสียหายไหม ถ้าเราทําเรื่องเราเดินไปอย่างนี้เราถ้าเราเดินไปใช่ทังได้ทั้งหนึ่งแต่มันก็เสียทั้งหนึ่งมันได้ตัวได้นะี่ยตัวเสียอันไหนมากกว่ากันเราต้องมาบวกลบคูณหารอันนี้พระพุทธเจ้าขนาดพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตบางเรื่องอท่านบอกว่านี่นะการรับอุอปถากนี่นะเอ ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านรับอย่างไรท่านก็เลงญานในอดีตในข้างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านรับอุปถากรับอาคาสาวกรับมาให้ตําแหน่งหน้าที่ของพระสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นยังไงท่านก็มองดู ท, ท่านใช้ญาณาทัศน์ของพระองมองมองมอ ง, มอ ง, มองดูหลายๆผมเปรียบเทียบ จากนั้นท่านยังรับอุ่อันนี้เป็นพุทธประเพณีประเพณีพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนท่านก็ทํามาอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเออเอาต้องเป็นอย่างนี้นะเออนี่นะี่แะไม่ใช่ว่าท่านมีความรู้อย่างไรท่านก็จะทําถ้าเราอ เ, เ, เราคิดดูสิพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะถ้าว่าท่านไม่มีญานรัตนะท่านไม่มีฌานไม่มีอนาคตกังสิยานอนดีตอดีต อดีตเยานนะพวกเท่านเราพวกเราคิดดูซิว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะจะมีความรู้มีความรอบคอบมีความสามารถขนาดนั้นเลยอันนี้พระ อ, องค์ก็ต้องมองอดูอดีตเหมือนกันพุทธประเพณีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพาดําเนินมาอย่างไรมาถึงพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็เดินตามแนวแถวของพุทธเพราะพุทธะเนะี่ยเดินอย่างไรพระ อ, องค์ก็เดินตามนั้น นี้ก็เหมือนกันพวกเราเป็นสาวกพระพุทธเจ้าบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราเท่านบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนอย่างไรมาถึงจุดเรา เ, เราจะทำให้เสียหายอย่าว่าทำให้วงแตกอย่าไปทาให้แนวปฏิิทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียหาย สิ่งเหล่านี้นะหลวงพ่อเองในฐานะอยู่ในสถานะนี้นะหลวงพ่อคิดนะศรัทธาญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกองคนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพวกเราพระทุกองค์ก็เหมือนกันกที่เป็นลูกของหลวงพ่อนะีที่มาอยู่ด้วยนะการกระทําสิ่งใดก็าตามนี่หลวงพ่ออินไม่เคยดอกบกไม่เคยพูดนะหลวงพ่ออินตาตําหนินะถ้าทําอย่างนี้นะท้าว่าท่านเห็นนะท่านตําหนิอย่างแรงนะ อย่างนี้นะนี่แนะหละพระรุ่นพี่ทั้งหลายก็ควรจะตรวจตราในการกระทำหรือในข็อในในการกระทำหรือการพูดหรือในการดำเนินเรื่องนั้นๆต้องทำร่วงระวังเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างของพวกน้องๆสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยความคิดอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาด้วย ความรอบคอบอยู่นสถานที่ใดดีทั้งหมดนะพระเนรลูกหลานแต่ว่าพวกเราอยู่แบบไม่คิดไม่อ่านเห็นแต่ความสนุกสนานเห็นแต่ความต่อหน้าอีกอย่างหนึ่งรับหลังอีกอย่างหนึ่งอาจาร์แปลว่าเสียหายเสียหายเกิดขึ้นได้ง่ายๆอันนี้นก็ขอบอกกล่าวย้ำเตือนให้พวกพระลูกพระหลาน ได้ยินได้ยให้ได้ยินในฝั่งก็พอเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อเป็นห่วงเรื่องการเรื่องงานที่พวกเราทำการทำงานนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่สบายใจอย่างเดียวอย่างหลวงพ่อไปกรุงเทพนะ่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบกลับมาวันที่ยี่สิบหกห้าหกวันหนะลวงพ่ออยู่ห่างไกลหลวงพ่อก็ไม่ใช่ไม่คิดนะไม่ใช่ไม่ห่วงห่วงน่แหละไม่ได้ห่วงอย่างอื่นไม่ได้คิดว่าห่วงจะอดะอยาก เพราะลุงพ่อเคยเตรียมไว้แล้วปัจใจสี่ที่จะให้พระเห็นลูกหลานหลือขาดเหลือขาดตกอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไงลูกหลานก็ผงพ่อเขแนะแนวบอกกล่าวไว้แล้วแต่เป็นห่วงเรื่องศีลาจารวัดเหลืองความประพฤติการอยู่ด้วยกันอาจจะไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นยังไงผู้น้อยเป็นยังไงคอนทอ่อคอนไม้ทอ่อไม้ ฟังกันหรือเปล่าเหมือนกับพ่อแม่จะหนีออกจากบ้านลักษณะอย่างนั้นแหละต้องดูนะดูพี่ๆนุกดูน้องๆ น, นะดูไฟนะดูน้านะดูความรอบคอบนะลูกนะอันนี้ก็คือลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้สั่งเสียถึงขนาดนั้นแต่ความวิตกกังวลในจิตในใจนั้นหลวงพ่อเป็นห่วงเรื่องสีลาจะวัดเตืองกดขนบธรรมเนียมประเพณี ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอันนี้คือการอยู่ด้วยกันแต่เรื่องจิตภาวนาเรามีความมุ่งมั่นอะไรให้ถามตัวเองข้าพเจ้าบวชมาในคราวนี้ครั้งนี้เพื่ออะไรนี่ยอย่างที่หนักน้อยที่หลวงพ่อได้โพดเบื้องต้นนะอหนักน้อยก็บอกว่าผมเบือเบอเเบ่อโลกผมเบื่อเบื่อโลกฮะนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเอถ้าเบื่อ ถ้เบื่อเบื่ออยากอากเบื่อทางโลกเบื่อขี้เกียจทาการทางานเบื่อคนดุดาว่ากาวให้แถวนู่นกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อใหญ่ขึ้นมาเ่ตัวนั้นกระโดดใส่แต่เบื่อตัวนี้อันนั้นไม่ถูกนะถ้าเบื่อก็ต้องเบื่อตามแนวแถวของพุทธเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นไม่ไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอีก อันนั้นแปลว่าเ อ, อถูกต้องเป็นเรียมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ถ้านอกจากนั้นขึ้นมาเลยถ้าตรงข้ามกันไปเป็นมิจฉาทิฏฐินะี่ความคิดเนะี่ยเพราะในความคิดเนี่ยสำคัญอันไหนที่สําคัญที่สุดในมรรคแปดสัมมาทิฏฐิสําคัญที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งถ้าคิดผิดสักอย่างเดียวการทําก็ผิดการพูดก็ผิดมันผิดไปหมด พอไร่พอมันคิดผิดนะถ้ามันคิดถูกแล้วนะอันไหนก็ถูกถูกตามหลักธรรมไงถูกตามขนบธรรมเนียมประเพณีถูกตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกตามคำธรรมสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถูกตามสีลายจารวัดมันถูกไปหมดเพราะสัมมาทิฏฐินะแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิแล้วนะมันผิดมันผิดไป อ, อ, อย่างมากๆทีเดียวละ ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวยิ่งกว่ามิจฉาทิฏฐิไงพระพุทธเจ้าทันตรัสย่างนั้นมิจฉาทิฏฐิน่ากลัวที่สุดถ้าตกนรกก็ตกนรกโลกันตะโลกันตะนรกนรกมืดแปดทิศแปด้านดัง น, นั้นแปนว่าพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิตกตกไปอยู่ในหลุมนั้นพวกเอเวจีมหานรกพวกทำความชั่ว อย่างพระเทวทัตทําความชั่วตกอเวจีมหานรกนแต่พวกที่เป็นมิจฉาทิฐิทํารีไม่ได้ดีทําชั่วมันจะชั่วนรกสวรรค์ไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีทําดีแล้วก็ไม่ดีตายแล้วก็ศูนย์ไม่มีอะไรตายแล้วศูนย์อันนี้ท่านว่ามิจฉาทิฐิความเห็นอย่างรุนแรงพวกนี้ตายไปแล้วตกโลกันตะ มืดแปดพิษแปดด้านเหมือนคาร์ลเขาไปอยู่ในปลากระป๋องกรมิตรเขาบัดกรีทย่างนั้นอยู่อยู่ข้างในลักษณะอย่างงั้นแหะเพราะว่ามั น, ม, นมืด 8, แปดพิษแปด้านใช่ไหมก็ต้องเป็นลักษณะอย่างงั้นแ่ะเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายต้องคิดกันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลตามหลักธรรมความสอนแล้วก็ให L ้ปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาที่สําคัญเราบวชมาเพื่ออะไร เราบวชมาเพื่อบำเพญ็ญศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวพุทธเรามาภาวนาแต่เมื่อเราภาวนาแล้วนะจะเป็นไงเราเป็นที่พอใจหรือยังาการภาวนาของเร า, เาการบำเพ็ญคุณงามความดีความดีของเราเป็นที่พอใจหรือยังอุ่นใจหรือยังอถ้าเราตายในขณะนี้เราจะไปไหนเนี่ยฮรับรองตัวเองได้ไหม ถ้ารับรองตนเองยังไม่ได้เราก็ไม่ควรจะชะล่าใจไม่ควรจะนอนใจควรจะประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆกันกลองไตรตองด้วยเหตุและผลไปเรื่อยๆนี่แหละให้พวกเราทุกๆท่านนะไม่มีใครที่จะดูเราได้นอกจากตัวของเราเองไม่มีใครจะเตือนเราได้อคนเตือนกับเตือนข้างนอกนะไม่มีใครที่จะเตือนเราให้ถึงใจได้นอกจากตัวของเราเองนะ ขนาดตัวของเราต้องมองตัวของเราวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายในหลายในห ล, ย ห, ลยหลายแนวนะบางทีอาจจะซ้ำกันก็ได้แต่ที่ยังไงก็เถอะนะก็ให้ฟังฟังฮะฟังฟังเพราะพวกเราอาจจะหลงลืมขนาดพูดนโมตัสสะก็บางทีกันอย่างอิติปิโสก็ถูดอิติปิโสก็ยังหลงยังลืมได้ mm hmm. แล้วพรในทีนเด้อ